พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่28โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าความโลภไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้เป็นวันที่18มิถุนา พุทธศักราช2554มันใ้ตรงกับวันเสาร์วันนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อสดองค์ที่มีการสวดมนต์เย็นที่วัดป่าบัานเพิ่มหลวงพ่อสดวัดป่าบัานเพิ่มเป็นวันเกิดของเพิ่นเหมือนบางที่หลวงพ่ออาจจะไป ย่ำมะแลงนะยามือเสาจังคิจิ้วคือกันนะั่นะอาจจะไปย่ำมือแลงพอพอดไปย่ามมะแล้งในงานเพลนมถ่วไปย่ามมือเสาไปฉันเลยแต่ข้าวนี่คีไว้เดี๋ยวจะไปย่ำมะแลงมึงบอกันเกิดหสิกว่าปีเลเหลวงพอ่อสดปัดปาบนเพิ่มนี่แหละาลาของเฮ้านี่ปีสองพันห้ามสบนี่ย 2, 500, 30, ส า, างส า, าลาหลังนี้เสร็จ หลวงพอ่อมาอยู่วัดปานาคำหน่อยปีสองห้าแล้วก็ปีสองเจ็ดสองปดสองปดเน่เริ่มสางคำแพงสองปดไอเริ่มสางซาล่าสองปเริ่มสองเก้านะปีที่คกว่าประมาณปีครึ่งสางซาล่าหลังทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพอเสร็จเดือนพฤษภาเนวันที่สาสิบ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 ซื่อปาเพิ่มเติมเล้วก็เป็นวัดปั่นเพิ่มมากกะเท่ากุ้มือนี่แหละเลิ่มมาตั้งแต่ปีสาสบเอ็หลวงพ่อสดไปจามันษาปี3ามสิบเอ็ดจนถึงมาปั น, นหลายปีเติ่ไปได้ปั่นเพิ่มกันนี่ะวัดว่าศาสนาขืนมาใดมันก็ต้องเลกคอขืนมาหน่อยๆสักคนบ่แ ม, ม่งจะปุ๊บปั๊บขืนมากะทีสาง รูห ล, ลาโออาร์เลยมันก็ะบได้ไอันนี้ก็คือค่อยๆสั่งค่อยทํำขึ้นมาแต่ทั้งข้าวหนึง่งทั้งมหาเถรทั้งกรมการศาสนาเขาบอกว่าอยากจะให้วัดเนี่ยไปอยู่เป็นกระจุ ก, กเป็นกระจุกเพื่อ บ, บริหารจัดการง่ายการก่อสั่งก็จะติดสั่งแบบให้มัน อันนั่นไปเลยพอ ร, ร่วมไปใช้ชนวัดต่างๆรวมเขามาหามองเดียวกันสั่งมันใหญ่เนีคือสรุปแล้วก็คือเน้นทางด้านวัตถุบอลในเน้นทั้งนน ท, งทังด่านคนตามไม่จริงหลวงพ่อข้าหนูพ่อก็นในเบาครับพวกายพระเหมือนกันหลวงพอ่อโอ้จะไปคิดจังสัน่นมันคิดแต่อยู่แต่จีเหตุนี่ยมันคิ ด, ห ด, ดเหตีได้พราะเหตุใด เพราะว่าพี่น้องประชาช่ชนของเฮ้าเนี่ยอยากจนอยู่บ้านนอกกว่าสี่างมาทําบุญวัดไงสมมติเอาอําเภอนายุ่งนี่วัดนึงอําเภอนํามสมวัดหนึ่งนี่แหละอย่างวาน้าคําน่อยของเฮ้านี่วัดหนึ่ง น, น, งง น, น, ง น, นงี่ร่วมกันอยู่นี่แหะบาดนนี้อําเภอนายุ่งมันกว้างประชากรเท่าไหร ชุสียางมาหอดชุสีขี่จั ก, กรยานมาหอดชุดสีเดินมาหอดมันโมเมนทัมธรรมดาผลที่ชุดทํำให้ลูกหลานผี่น่องไปใช่ชอนอยู่ในหมู่บ้านต่างๆขาดาการศึกษาเรื่องศิลธรรมผลที่ชุดก็เป็นคนไม่ได้รับการศึกษาเรื่องพุทธศาสนาบัณฑิตจะเป็นอย่างไงถ้าว่าวัดเล็กวัดน้อย ไปสางอยู่ในหมู่บ้านของเขาถึงจะาบอเป็นวัดใหญ่แต่ขอเขาก็ยังเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจแต่ละหมู่บ้านเขาจะมาไหว้พระมากราบพระมาไหว้พระพระก็จะไสอนไหว้พระจังไหนวันแต่ละวันพระเขาก็จะต้องได้ไหว้ได้กราบไปไหว้อลหังสวากาโตสุปติปโนานามโม รับศีลรับศิลรับพรอนจากนั้นเขาทาวัดเศร้าทาวัดเย็นเขาก็จงหูเหลืองพอเหตุใ้พพระไปสอนถึงหมู่บ้านของเขามีประโยชน์นะครูบาอาจารย์นะะอันนี้หลวงพอ่อเคยได้ไดเบาแต่นั้นเป็นความคิดชั่วบูบจะซื่อไปเพื่อจะตะล่อมให้พระสงฆ์เขามาเป็นกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการง่าย แต่ว่าส่วนที่เสียมันก็มีขึ้นกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่วานะมีทั้งเสียมีทั้งได้แต่เขาต้องมาบวกลบคูณหารเบื้องว่าอันไหนเกิดประโยชน์มากอันไหนเกิดประโยชน์น้อยในการดูแลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาบ่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเด้บ่เม็นของผู้เดียวของหลายหคน แต่ก็พร้อมกันก็ซอยกันคิดขึ้กันเพื่อรักษาโมเมนเพื่อทําไร่ทำไร่ทําไร่อีกแนวหนึ่งเลยทำไรยทําไร่ไผ่กูฮูแต่รักษานี่ยคืออย่างก็กคือได้ศึกษารพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็นํา ม, มาการกองไตร่ตรองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมํามสอนของเ พ, ลพิลนพระพุทธเจ้าสอนจังได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 ข้อดีก็มีหลายอย่างสัวก็มีหลายอย่างมีหลายระดับขื้นกันขั้นระดับพื้นบ้านขึ้นมากเนี่ยพื้นบ้านขึ้นมากเขาก็อยู่ตามเรื่องของมูบ้านที่เกิดมาแล้วอขาสัตว์ตัดชีวิตกินธรรมดาอันนั้นก็บ๊อพิดกฎหมายบานเมืองก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งแต่ว่าขั้นดีขึ้นมากกว่านั้น ถึงจะเป็นสัตดเล็บสักหน่อยกระบข่วนเจขาเพราะเหตุใดเพราะมันชีวิตของเขาชีวิตของเขาขั้นมากถึงข้อหน้านีกเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าอก็เป็นคุณงามความดีระดับไกลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั่นเรื่องคุณงามความดีอย่างทิวาเนี่ยมันมีหลายระดับคือกันระดับพ้นละเมืองบผิดกฎหมายอยู่โดยกัน ให้เคารพศิดซึ่งกันและกันอ่าอันนั้นก็คือเป็นคุ้งามความดีระดับหนึ่งถ้าระดับสูงขึ้นมาอีกให้เคารพเห็นใจซึ่งกันและกันในการดูในการนึกคิดอันนั้นก็มันมีอีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกอย่างไฟพระสงฆ์ในสินยีข้อหรือสินอภิสมัยการ มีหมาดไหมถ้าเฮาศึกษาแล้วล้วนแล้วจะเป็นเครื่องสำร่วมกายว่าจาของเฮาว่าให้มีโทษทั้งวัดเี่ยการพูดพูดจังไรจึงจะถูกต้องอการพูดแบบไรที่มันเป็นว่าจ่าที่บ่ถูกต้องเป็นการกระทบกระแทกเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้อืน่นเป็นการกระแนะกระแนผู้อืน่นเป็นการ ดูถูกเย็ดยามผู้อื่นว่าจานี่ครับมากไม้ ม, มหาศาลขึ้นกันในการที่จะพูดออกไปพูดยังไงเป็นสัมมาว่าจาจึงจะถูกต้องอันนี้ก็คือว่าจาส่วนกายก็คือการการกระทําจึงใดจึงจะถูกต้องบอกขาซัตว์บกขโมยทรัพย์บกปกพืชพิษลูกเมียผู้อื่นให้เคารพศิษย์ซึ่งกันและกัน บอกขี้ตัวบอกกินเหล่าบอกเสพยาเสพติดของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเข้าเจบติดเข้าไปแล้วนั่นแหละกระทำให้เสียหายทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกันขอบขั้วปนปีไปหมดถามว่าพอได้ติดยาเสพติดถึจงจะติจยาบาเลยลูกเมี่ยวก็บรรนาวัยใจ กันเมียติดถึงสีผัวเขาบนาข่นาไวใจคือนกันอันตรายอันนี้คือการกายสับนวมกายส่วนใจแนนะ่แนวความคิดอีกแหนแน่วความคิดเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากในหลักของพระพุทธศาสนาควรจะได้การจะได้รับการศึกษาถ้าว่าไริด้รับการศึกษาเนี่ยพวกหใจจะเรื่องวิธีทางเดินของใจมรู้จักวิธีทางเดินของจิต จิตใจเดินไปจังใดคิดจังไดแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลามันปุ่งฟุ่งไปจังใดไปทั้งกิเลสราข้าโบหรือ ก, กิเลสโทษซะอ่าลึก ล, ล, ลึกกิเลสความโลภโลภโกรธหลงจังใดคานาวาบุมีถ้ำในใจข้าพเจ้าได้รับการศึกษาจากถ้ำคัมศรัทธาของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมองบ่เห็นในจุดเนี่ เพรนั่นต้องได้รับการศึกษาศึกษาจากถําคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นไปศึกษาตํารับตํารานี่ยขึ้นมาได้เลยเป็นเขียนเป็นตําราขึ้นมาได้เพิ่นไปศึกษาทั้งหปีอยู่ในปา่าหลวงพงไผ่นี่แหละเพื่อศึกษาเรื่องของใจความนึกคิดเนะี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับมนุษย์ชาติคนจะดีคนจะซัวมันออกมาจากใจทั้งมัด คันธวคิดไปแม้ทั้งยีดซัวปล่อยออกมากทา้งว่าจากบับเบาสัวดาคันธว่าออกมากทา้งกายกับมีตั้งแต่มัดแต่มุวยเพราะว่าใจมันใจบ่ได้รับการอบรมใจไม่ได้รับการฝึกฝนแต่ว่าขั้นจิตใจได้รับการฝึกฝนที่แล้วก่อนสิพูดก่อนจะ ท, ทำยังออกไปก็พ่อประมาณไค่เขาว่าห้าสิ่ห้าไน้่น เข้าจะหายเรื่องใดเข้าจิตดาโคนเขาจิตดาเพื่อลยังคล้ายๆเวลาคิดเลยแล้วอ่มันบ่ได้ออกมาจากติดจิตไต่าสานึกคานว่าเข้าบ่ได้รับการอบรมจิตน้องมาจากไต่าสานึกดา่าโค่อนอย่างเอี้ยแต่ว่าตามไม่จริงคานว่าจิต ด, ดูแต่ฝึกตีแล้วนะเข้าจะต้องคิดอืมขั้นบูดาบ่ได้เลยมันบ่ได้รับมันบ่บนบาสานึก คันบอกบอกบอกกาวเนี่ยมันบอกหูเรื้องว่าดีว่าซัวเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนบอกได้บอกเออตรงตั้งเออให้ข้าวาพร้อมซะก่อนยังคอยบอกคอยกาวเออถึงจะทําอาล้มโหม้อหูสูญเชียวมะเรงตึงนั่งก็ตามเป็นเป็นอาการที่จะต้องบอกว่าขา่าวไม่พอใจนะนแต่ในใจของเข้าแล้วเข้าหูว่าเป็นอย่าง ทว่าถ้ำใดจังสันนั่นแหละเพิ่นว่าผูมีถ้ำได้ฝึกจิตใจไว้ดีแล้วแต่โดยมากมันจะล่ำออกไปโดยที่มันหลังโมยูนะ่ะโดยมากกันกิเลสความโกรธจงิงๆมันโดดไปกัดคนจะดึงหางเหมืนกันยังหางขาดดึงขาขาขาดเลยยังโดดไปกัดคนถ้าพุทธะเพื่อยกโซ่จมูกจับอะไรพ่อแห้งมันมัไปเออบางที่ผมว่าล่างคางแตกมันมันไปเนี่ยจังสันก็มี โดยมากพวกเข้าที่เป็นหนึ่งบรได้รับการอบรมบรได้รับการฝึกฝนไว้นี่โดยมากเป็นนิสันถ้าเพิ่นได้ฝึกฝนเป็นพระโสดาสกัตถะข้าอนาข้ า, าอรหันเลยเพิ่นจะหูจากปวิ ธ, ธีการพูดการปล่อยมัดออกไปรล้ว่าการดุดาว่าเก้าวกระพ่นเป็นจังไดอันนี้ก็คือใจใจเป็นใ่ใจเป็นหวนัวหน้าคัาว่าใจออกจากร่างกายใช่ก็คือการกระพ่นตายนัะ มดสภาพเอ่อถึงจะเป็นเป็นผู้ไม่บุญนักซักไงขนาดได้กรตามถ้าใจออกจากล่างนะมัดเอ่อมัดสภาพแตลว่าก้ น, นตายแล้วนี่แหละคนมาใจนี่ยเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าสำเร็จแล้วดวยใจวัะนั้นลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเออสอนใจเรื่องของใจเป็นเรื่องไงแน่ควรใจแได้รับการศึกษา ควรจะได้รับการเรียนรู้ควรจะกต้องได้รับการฝึกฝนคะแนนว่าเข้าโบกเงียนเจ้ ก, ก่อนเข้าโบกหูวเจ ก, ก่อนเข้าจะฝึกฝนได้จังไหนเขาจงได้รับแนวทางจากพระพุทธเจ้าะ ก, ก่อนพระพุทธเจ้าเป็นสอนจังไหนในเมื่อเป็นสอนเข้าเขาได้ศึกษาแล้วก็นําำถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนตัวเองเมื่อฝึกฝึกฝนตัวเองเขาก็จะได้รับ ความรมเย็นเป็นสุขทางดานจิตใจเป็นลารับลําดับไปนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นมาตั้งแต่เรื่องการเป็นยูด้วยการศิล ส, สมาธิปัญญาจนถึงนี่แหละสมาธินี่แหละสำคัญในหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าสมาธิสําคัญแท้ๆกระบอแมนขึ้นกันมันสําคัญนําการทั้งหมด มันสำคัญมาตั้งแต่ท่านศิลคนบมมีท่านคนบมมีการเสียสานจะอยู่น้ำกันไม่ที่อยู่ใดจังไดเผ่าเกิดมาพอแม่บวให้ท่านบวให้ความอบอุ่นเล่าอยู่บ่ไรที่กันตายตั้งแต่ในหน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องท่านเป็นเรื่องที่เครื่องยึดเหนียวของโลกใหอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นทุกข ต้องมีน้ำใจสรุปแล้วให้มีน้ำใจต่อกันพ่อระดับนึงขึ้นมากเลยมีน้ำใจต่อกันพ่อเป็นผู้ใหญ่ึ้นมากกร ะ, ระดับเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราพวกลูกทั้งหลายก็ต้องมีน้ำใจเลทดแทนพอคุณของพ่อของแม่ที่เพลินเลี้ยงดูเฮามาอีกสรุปแล้วก็คื อ, อ, อโลกใบนี้หรือว่าโลก มนุษย์โลกของเฮาจะร่มเย็นเป็นซุกหนึ่งเป็นอยู่ด้วยน้ำใจเป็นอยูด้วยเมตตาเป็นอยู่ด้วยความเอื้อเฟือ้อเอื้ออารี่กันเมื่อสรุปเลยคือให้ใช่ปัญญาขึ้นกันอันใดพิษอันใดถูกอันใดข่วนพวกข่ว น, ว น, วนจังใดอันใดเหมาะสมบ่เหมาะสมจังไดต้องคิดให้รอบขอบถ้าคิดตามลําพังบางทีก็สุดตรงความคิดของเจ้ของว่าคิดแมน่น แต่ว่ามาเปรียบเทียบกับรักถ้ำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พ, พ, พวระ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พุทธเจ้าเป็นว่าจังไดเรื่องจังสี่ต้องรักถ้ำค้ำสอนออกมาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเอออันนี้คนโบราณเขาลรือรักถ้ำค้ำสอนเขาเป็นวาจังสี่ได้แต่เข้าไปแบบนี้เขาก็ต้องเอียนเอ็นแม้กระทั่งถ้ำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าเพราอถ้ำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าเป็น สวากาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วแล้วก็เป็นนิยาเนกาธรรมนาผู้ประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขความรมเย็นเป็นสุขได้เพราะนั่นเข้าจะไปเอาแต่ความคิดของเจ้าของดันทุล้างไปว่ามันข่าคิดถูกโดยที่โบได้ฟังเสียงผู้ใดโบได้เอาลักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบนี่บางบางครั้งมันก็สุดตรงไปขึ้นกันเลย เห็นบางเรื่องบางเล่าเนี่ยุดตรงหัวส้นฝาวนไปปอย่อมฟังคว่ำไผอู้ถ้าเป็นพี่น้องของเข้าจังสันก็เบา่น้าหยากคือกันเพราเหตุไดเพราะปอย่อมฟังเหตุฟังผลมหรือไปว่าแต่เจ้าของถือย่างเดียวทำไมบ่บ่ฟังเงยวบ่ฟังคว่ำไผ่เพราะนั้นพวกเข้านะบางคนก็หัวอ่อนเกินไปเขาแนะนําอย่างเอามดอันนั้นก็บรดีขึ้นกัน ขั้นหัวแข็งเกินไปหัวส้นฝาจุดมาย่อมฟั่งไปกับบดีขึ้นไปเพราะนั้นให้พวกเข้าเป็นให้ฝึกฝึกตนให้เป็นภูมิเหตุผลอต้องฟัง่งแล้วก็การกรองไตรตองแล้วก็เอารักคาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบอนอกจากนั้นเราไปฟั่งทันภูรูเอทันภูรูที่พน้นหาคําแนะนํามาเขาก็จะต้องฟั่งเหตุฟั่งผล นี่แคนมีเหตุมีผลไปใส่ลมเย็นเป็นสุกมัดค่นว่าคนมันมีเหตุผมมิผลดันทุรังนะครเบขาไปว่องขาไปว่องใดวงนั้นก็นแตกไงเพราะเหตุใดเพราะบุกคลดันทุรังเลยมีแต่อารมณ์เจ้าของว่าจะว่าเจ้าของถูกไปใสขวางหมูมัดเพราะนั้นพวกเขายายเป็นเป็นหนึ่งสันนะง่ายมันขวางต้องมีเหตุต้องมีผล ต้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจอยู่ใส่อยู่เย็นเป็นโุขมั่นอยู่ในโลกมันบมดถึงลอยปีดอกต่างคนกับต่างไปของภัยของมันในขณะที่อยู่น้ากันกะงัดคุณง่ามความดีออกมาใส่กันมาปฏิบัติต่อกันมาพูดกันมากระทํามาคิดในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมในคณะที่อยู่น้ากัน โลกทั้งโลกรมเย็นเป็นซุกมัดมีแต่งัดกิเลสออกมากัดกันโอ้ยุ่งเหยิงวุ่นวายผู้นั้นก็กิเลสตัวนึ่งผู้นั้นก็กิเลสตัวนึงงัดมากัดกันแหมเป็นคนละทิศคนละทางสรุปเลยคือผลประโยชน์ผลประโยชน์โปรลงลอยกันถึงจิตแมนปนญญายังตามมันออกไปขั้นผลประโยชน์โปลงกันเพีดกันมาแหมอันนั้นก็คือขี้กิเลสขี้เกศกิเลสความโลภในหลักของพุทธศาสนา มีความโลภอยู่ในใจแบ่งจากไหนมันกบมันกบล่องล้อยกัน เ, เขาแบ่งให้เคืองปนัก็นจนจะเอาตาสังมาสังปนอวนไปมันก็ยั่งอยู่ยั่งอยากโ卜อยากได้ของเขาอยู่ยังพญามันทา่านทุลาธพญามันทา่านทุลาธเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองผืนปฐพีแผ่นดินแมนมัด เป็นของพระยามาัทพันพญามารรัทธาตุตลาดทั้งมัดไปพะ อ, อินก็เลยเห็นว่าโอ้พญามารรัทธาตุตลาดเนีย่ยเป็นผู่มิบุญนักซักไงปกคล้องใ น, นพื่นปะฏิพีนโดยธรรมเป็นพระเจ้าจักระพัดเข้าควรจะเอาขืนมาสู่สวรรค์สันดาวดึกน้ำเมาเป็นมูเป็นผักเป็นผวกเป็นเสี้ยวกันมันออน่ยพะ อ, อินกระแสนจะใจเดีววยวลง ออกพญามัทธาตุลาดขึ้นมาดอยู่บนสวรรค์สันดาลวันึงกระลลแบงแบงสันดาวันึงให้อีกคนละนเครงอะไรไอ้อหาเซียวเครงหนึ่งเจ้าของเครงหนึ่งเ อ, อ้อยู่เดือกันมีอยังกับปรึกษาปรารลบกันแต่พญามัทธาตุลาดเนี่ขี่โลภฉันได้ไหมนความขี่โลภเนะเออในเมืองมย์กเอาเม็ดแล้วนะไปขึ้นไปอยู่สวรรค์เลยที่พระอินแบงให้คร่งหนึ่ง ประโยชน์ยังปุณว่าแบงไ้เครื่องเดียวขาพระอินซะเอาวัตถังสันเนี่นว่าวะสันดาวดึงพุน่ะขีิโลยังได้สันดาวดึงทั้งสันเลยคือว่างขาพระอินเมื่อมนุษย์มันขากันได้เนี่ยแต่เมืองสวรรค์มันขากันวะไรเนี่ยเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลคนที่จะไปเกิดสันดาวดึงหนึ่งมันต้องบุญผ่าไปเกิดตัวเองเนี่ยจใช่ระบบมนุษย์ ใส่ระบบเมื่อมนุษย์ไปจัดการกับสวรรค์สันดาวระดึงพ่อคิดคาเท่านั้นเลยจิตใจมันเสาหมองเลยคนที่คิดคาอารมณ์โทษสาด้วยอารมณ์โทษสาเกินวูบในใจมนันลงไปเพราะอารมณ์โกรธมันลงไปอมันต้องใส่อารมณ์โกรธเลยคนใจดีๆนะจะไปคาคนมันคาบ่ลงเล้อันนี้มันต้องปุกปุกอารมณ์เจ้าของก่อนถึงจะเป็นเทวดาก็เถอะ มันก็มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นกันเนี่ยแอบพญามันทา่าทูลาดกับปุ๊บความโกรธขึ้นมามานละเพื่อจะขาพระอินทร์ยึดสันดาวดึงเลยพ่อคิดเท่านั้นแล้วนะอารมณ์โอบขึ้นมากเป็นโทษซะนะพ่อโทสซะก็ตกไว้ลงมาจากสั่นดาวดึงเริ่มลงไปเ อ, อตกสูงประเดี๋พญามันท่าธูลาดพ่อตายแต่ไม่บุญข่ำมาโยนเลย ต๊กต่ำลงมาถูกสวนอุทยานนอ่อุทยานเนี่ยนายอุทยานก็ไปเห็นคือจำว่าไรบ้างเนีอยจำว่าไรเพราะว่าพ ญ, ญามันท่าตุลาเนี่ขึ้นไปอยู่สวรรค์ดนเกินไปของเราไเอออายุยืนเนี่ยพ ญ, ญาพญามันท่าตุลาบันท่าตุลาแต่ถามว่าอุทยานอาจารยเจ้าเป็นนายอุทยานใช่ไหมอาจารย์ครับ เขาเนี่ยคือพยายาระญาบรรท่าทูลาดเหรเป็นยังไงพระองค์นี้เป็นสิเนี่ยเข้าตกลงมาจากสั้นสวรรค์ไปไปบอกให้บริวารเขามาอยู่ในเวียงว่างนายอุทยานกับแลนจันไปบอกพวกเซนาอมาดมากเขาก็จําได้พอจําได้ก็พญาบรรท่าทูลาฟื้นหรือไม่แล้วก็บอกเออเนี่ ก่อนในเฮ้าที่ตกมาจากสวรรค์เพราะเฮ้าเกิดความโลภเกิดความโลภในเมืองมนุษย์เฮ้าขอขอบคล้องมัดอบ่มีประเทศใดอยู่ในเมืองมนุษย์เฮ้าจะบอกขอบคล้องเขาขอบคลองเมื่อบดจนพระอินทร์เอาขึ้นบูชูบนสวรรค์พราะซึนสวรรค์ขึ้นมาเฮ้าพระอินทร์แบ่งให้เฮ้าเคิงนึ่งแบ่งดาวดึงให้เฮ้าเคิงหนึ่งเฮ้ายังโลภจากได้ทั้งมดอีก อยากจะขาไปอินเพราะความคิดอยากจะขาไปอินถํำนี่หละอารมณ์โกรธมันคือมาในใจทํำให้เล่าตกจากสันสวรรค์ลงมาเนี่แหละมาตกอยู่นี่อา้าตั้งแต่นี้ต่อไปนะให้พวกท่านทั้งหลายตีประกาศกิเลสตีประกาศออกไปว่าพยามั่นท่าตุรัตข้องแผ่นดินแลวยังบอ่อพ่อ ขึ้นพายุสวรรค์ยังคิดขาพระอินอีกไปตีประกาศไปทัวมู่เมืองเลยจ้ะเน่ยประจานเมืองไปอย่างความโลภตัวนี้วลยจนะ้ะเป็นเขาโลภยังบ่มีที่สินชุดจึงสี่เลก็ยังดีเลยหลวนะงพอ่อพญามันธาตุลาดยังคิดประจานเจ้าของเราไปเอีก <c oughs> ันเจ้าของคิดเจ้าของมันโมเล่ประจานเมืองนะมันเป็นอย่างแต่ความโลภเอมันยังบ่มีทีสินสุดเขาก็ประกาศยังว่านะเนี่ะพอไปพญามันธาตุลาให้ประกาศเลย เขาก็ตีของตีของประกาศเราลงไปพญามันทา่าตัวรัดเกิดความโลภโมมิทีสิ้นสุดเอีความโลภนอัติตันหาสมาหน้าที่แม่ทานแม่นาเสมอตันหาคือความโลภความโกรธโมมีทีสิ้นสุดมหาสมุทรยังมีขอบความโลภโมมีทีสิ้นสุดมิจะอยากอยากอยากอยากเยู่ตลอดนะขันห้องวอยับโปรยาง ผลในชู้คนนี่นหะพอประกาศนั่นอพระญาตมันถูกหลาดก็เลยสวรรคตก็เลยตายไปนี่แหละพระพุทธเจ้าคนว่าความโลภความนี่นะบมีทีสิ้นสุดเออาะนั่นให้เบิงเบิงเจ้าของเนะ้อให้เบิงเจ้าของเออสิ่งไหนก็ตามให้ข้อเหมาะพ่อสมพ่อข่วนเนี่ยข้มันถูกต้องยังไงเอาคันาวบมันจริงที่มันพูตุอง อย่าไปโคดอย่าไปโกงอย่าไปปน่นอย่าไปจีอย่าไปโลภโมโหของเขามาเป็นของเจ้าของเนี่ยให้มีศินให้มิถ้ำท่าท่าวาหาโดยสติหาด้วยปัญญาของเฮาหาโดยความเฉลียวฉลาดของเฮาเอออันนั้นเป็นผู้มีปัญญาหาทรัพย์เนี่ยผู้หาทรัพย์ก็ต้องก็มีปัญญาแต่ว่าอย่าไปใส่ความโลภโคดโกงเบียดบัง ของผู้อื่นเขาหนะ่าเขาก็มาเข้าสิขายของเขาก็ต้องบอกราคาเท่าไรเขาก็ต้องคิดกำไลไปถ้าเขาเป็นที่พ่อใจเขาตัง้งเขาพ่อใจสื่อมันก็บววากันเข้าสิขายแพงกับอกไปเนี้ยเพราะว่าเขาพ่อใจสื่อเลอแต่ว่าไปคดไปโกงเขานะบ่ได้อันนี้ก็คือความกีโลกความโลบผมมีทีสินสพราะนั้น กิเลสในใจของมนุษย์ของเฮ้าเนะี่ที่พระพุทธเจ้าพณ์บอกไว้นะี่เป็นกิเลส ท, ที่จะเห็นใดจังใดเนี่ก็ต้องนั่งสมาธิต้องจิตใจสงบรุ่มสงบจึงจะรูะ้ได้ว่ากิเลสราคะโทสะโมหนะนี่เป็นจังไดเป็นตัวจังไดผู้แจ้งเห็นจริงจังไดทีิสกัดออกจากจิตใจได้จังไดขั้น ส, สกัดกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทษสะออกแล้วเนะี่จิตใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละ เเป็นพระรหันดูใส่ลมเย็นเป็นสุกไปหมดเพราะจิตใจบ่มีกิเลสบ่ทำให้จิตใจกระเพื่อมวูดไหวเนยทวาท่องกระท่องรอยเปิดเส้นบ่มเป็นเก่าซิเก่าจุดเก่าอะไปแต่เป็นสเตนเลสก็สเตนเลสรอยเปเส้นบ่มมีสนิมแมแต่ น, นอยเดียวอยู่ในสเตนเลสนั่นอันนี้จิตของใจของพระรหันกระเจงสนะใจสีบริสุทธ ลอยเปเส้นจิตใจที่บ่มีกิเลสลาคะโทษสามโมหะอยู่ในหนันพวะกเข้านะผูดทั้งนี้ทั้งท่านให้ฟังกับเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นอยู่ในการค้องฉีบของเข้าให้มีศีลมีธรรมเอหให้มีคุณธรรมศีธรรมจริยธรรมให้งงัดหรือเอางัด คุณงามความดีออกมาใส่กันอย่าไปเอาสิ่งที่มันชั่วศาเสียหายอย่ามาใส่กันถ้าเอาความชั่วออกมาใส่กันบมมีทีสินสุดกัดกันนั่นเนี่ยไปมดัดเนะี่ยอย่างคูเ ม, มือเห็นบหประเทศชาติฝานเมืองช่วงนช่วงหายเสียงผู้แทนจำเป็นไัยกัดภผ่ได้ว่าไปเพืเอเพอขากันก็นมี่กัดกันมาเึ่งตึงนั่งก็มีเอเพราะเหตุไรเพราะความโลภนั่นแหลเะเนอเพราะความโลภของมนุษย์ ความหลบของคนเอผลอๆมันหายเขาพญามันธาตุลาศอีกต่างหากคนไปกำมันขาดนาดนะนะกิกว่าอีกคนไปแต่นี่มันโมมีฤทธิ์ปานันก็เลยจ๊กติเห็ุเั่นใดมันลงไปมีแต่เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอยู่ในใจพ่อปานันนะกิเลสของมนุษย์มันหนาเป็นขนาดน่ะอรรถพ่อนะแต่นี้นะหลพ่อบอกภาษาอีสานเหมือนเลอลงพ่อได้ยี่อยู่สีในคลิ้นเขาว่ะ ภาษาต่างประเทศได้เป็นภาษานี่อา้าหลวงพ่อภาษายังภาษาต่างประเทศเอาภาษาเมืองล่าเลยวะเออแมอ่ดิวะรับพรอนุโมทนาให้พอ